ข้อความในมัชฌิมนิกาหมูลปัญนาตวิตต ก, กะสันธานสูตรนีก็ยังกล่าวถึงวิธีขุดถอนรากอากุศลวิตตกน่นอย่างสูตรก่อนนั้นเน้นว่าอากุศลวิตกมีโทษอย่างไรกุศลวิตกมีคุณอย่างไรละอกุศลวิตตกด้วยประการใดแล้วก็เจริญกุศลวิตกอย่างไรนนะโดยยกข้อปฏิบัติของพระองค์นั้นเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่าง พอในสูตรนี้พระผู้มีพระภาคนั้นแสดงธรรมให้พระพิสุทธ์ทั้งหลายฟังถึงวิธีกุดรากถอนโคลนอากุศลรวิตกทั้งหลายคือแสดงถึงการละธรรมที่ควรละเนี่ยนะปหาตปรธรรมน่นะการกล่าวถึงธรรมที่ควรละคืออากุศสรวิตกสามนั้นถือว่าเป็นธรรมที่ควรละ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 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายภิกษุผู้หมั่นประกอบอธิจิตก็คือประกอบสมะถะทั้งหลายเจริญสมะถะทั้งหลายควรมณสิการถึงนิมิตห้าประการอานะันนคือควรมณสิการถึงเหตุห้าประการตามเวลาอันสมควรเถิดคือหมายความว่าถ้าอากุศ ล, ลวิตกเกิดขึ้นควรเจริญนิมิตห้าประการเพื่อกําจัดอกุศลหรือเหตุห้าประการเพื่อกําจัด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 นะถ้าตรึกที่เป็นกุศลได้มันก็ตรึกที่เป็นอกุศลได้เพราะอากุศลเนี่ยฝึกมาจนชำนาญแต่กุศลเพิ่งมาเริ่มฝึกเริ่มหัดเริ่มเจริญนีนะมันนิมิตห้าประการหรือเหตุหประการนั้นเป็นไนดูก่นพิสุทั้งหลายเมื่อพิษุในพระธรรมวินัยนี้อาศัยสมาธินินมิตใ ด, ดแล้วมานสิกานิมิตใ ด, ดยอยู่คือหมายถึงว่าคิดถึงสิ่งใดแล้ว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 เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นอยู่ด้วยดีเป็นสงบเป็นธรรมเอทผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแหละเพราะถ้าหาว่าเกียรติกันกําจัดละ TM, อกุศลวิตกออกไปเนี่ยนะกุศลวิตกหรือกุศลจิตก็เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเนี่นะจิตก็ผ่องใสยิ่งขึ้นกุศลธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องเท่าใดาสมาธิก็ตั้งมั่นเท่านั้น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 จิตย่อมตั้งมั่นอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแลอันวิธีแรกในการกำจัดอากุศลวิตกทั้งหลายข้อความในอันตกะถาที่กล่าวบอกว่าเมื่อเธอประกอบอธิจิตเนี่ยนะควรม า, าสิการถึงนิมิต ทั้ง5ประการเนี่ยตามกาละอันสมควรหมายคือว่าตอนแรกเนี่ยเจริญมูลกรรมฐานใช่ไหมเจริญกรรมฐานที่เป็นปาริหาริยากากรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ตัวเองถนัดแล้วก็คล่องพอเจริญไปเจริญไปเนี่ยถ้ามันเจริญแล้วมันดีก็เจริญต่อไปไม่จําเป็นต้องมาคิดถึงวิธีการป้องกัน5วิธีเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าเจริญไปเจริญไปเนี่ยนะอกุศลวิตกเกิดแทรกขึ้นมาในระหว่างที่เปรียบเหมือนว่าถ้าชาวนาผู้ฉลาดเนี่ยนะ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 อัญญนิมิตเนี่ยคืออะไรนิมิตอื่นจากกุศล อ, ก, อกุศลตอนแรกเนี่ยเจริญสมถะอยู่พอเจริญไปเจริญไปอกุศลมันเกิดขึ้นแล้วก็คิดดูเอออกุศลเนี่ยมาได้ยังไงพอรู้ว่าอากุศลมาได้อย่างไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์จิตเนี่ยจะเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลอยู่ที่วิธีมนานสิกานะนะถ้ามนานสิการเป็นคิดเป็นใส่ใจเป็นกุศลธรรมก็เกิดขึ้นถ้าคิดไม่เป็น หรือไม่ฉลาดคิดคิดไม่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายก็เจริญเอาเจริญเอาเนี่ยนะทีนี้พอเจริญไปเจริญไปอกุศลวิตกเกิดขึ้นทำไงเจริญไปเจริญไปโลภะเกิดเจริญไป เ, เจริญไปโทสะเกิดเจริญไปเจริญไปโมหะเกิดขึ้นเนี่ยทำอย่างไรดีในหน้า241บเอดกล่าวถึง วิธีการกําจัดอกุศลโดยใช้นิมิตอื่นเนี่ยนะนิมิตอื่นคืออาศัยอารมณ์อื่นมาเป็นเครื่องแก้อกุศลวิตกในข้อนั้นชื่อว่านิมิตอื่นคือวิตกประกอบด้วยฉันท่เกิดขึ้นในสัตว์สังหลายการเจริญอสุภะชื่อว่าเป็นนิมิตอื่นหมายคำว่าถ้าเราเกิดนึกชอบใจในสัตว์สัตว์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์เดราาัจฉานชอบใจในคนด้วยกันนี่แหละ เรีว่าเจริญกรรมฐานไปจเจริญไปจเจริญไปแล้วก็คิดถึงใครบางคนหรือหลายคนก็ได้เนาะก็อันนี้ก็จเจริญอสุภกรเนานะเมื่อวิตกเกิดขึ้นพอใจในสังขารทั้งหลายมีปัจจัย4 G ี่จีวอนเป็นต้นควรมนาสิการถึงความเป็นของไม่เที่ยงในนิมิตนั้นอันนี้ชื่อว่านิมิตอื่นหมายความว่านึกไปนึกมาแหมกังวลเลอะเกินกับจีวอนนี่แหละเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มมาทั้งหลายเนานะ หรือเมื่อเธอวิตกประกอบด้วยโทสะหมายความว่านึกเกลียดใครบางคนขึ้นมานะแปลง่ายๆว่านึกหมันไส้ขึ้นมาเนี่ยเจริญกรรมฐานอยู่ดีๆนึกหมันไส้เอ้มันพูดทำไมอย่างนั้นอย่างเงี้นายนึกโมโหขึ้นมาเลยขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เจริญเมตตาอันนี้ชื่อว่านิมิตอื่นก็ต้องแก้ไปด้วยเจริญเมตตาเมื่อวิตกในสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นอันนี้ควรมนานสิการถึงธาตุนะหมายความว่าคิดถึงสังขารทั่วๆไปก็มนานสิการว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่ง แล้วก็อันสุดท้ายอันที่หก็คือวิตกที่เกิดกับโมหะเกิดขึ้นภิกษุควรอาศัยธรรมะหา้าประการอันนี้ชื่อว่านิมิตอื่นคือหมายก็ว่าวิธีแก้โลภะที่ชอบในบุคคลทั้งหลายหรือชอบในสิ่งของทั้งหลายวิธีแก้โทสะที่ชอบที่เกลียดในบุคคลทั้งหลายหรือว่าในสิ่งของทั้งหลายหรือวิธีแก้โมหะมีอยู่ห้าวิธีด้วยกัน อันดับแรกอันดับแรกก่อนที่บอกว่าสมมติท่า น, นึกถึงว่าเจริญกรรมฐานไปเจริญไปแล้วไปนึกถึงใครบางคนเข้า น, นะหรือหลายคนเข้าที่ตัวเองชอบใจเนี่ยนะทำไงดีอธิบายว่าเมื่อโลภเกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายโดยในเป็นต้นว่าโอ้คนนี้มือก็สวยเท้าของผู้นี้ก็งามเป็นต้นเนี่ยคนะิดถึงแต่ความงามมองยังไงก็งามไปหมดเป็นต้นเธอก็นามาพิจารณาด้วยอสุภะคือสิ่งที่ไม่งาม นะโดยการตั้งคําถามถามตรงๆเลยว่าท่านชอบอะไรท่านกําหนัดยินดีอะไรท่านชอบผมทั้งหลายใช่ไหมผมใช่ไหมที่ต้องการเอาหรือว่าชอบขนหรือเอาเอาเล็บเอาฟันเอาหนังเอาเนื้อเอาเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกตับหัวใจพังผืด ม, ม้ำปอดลำไส้ยยใหญ่ไส้น้อยไส้รัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าน้ําดีน้ําเลือดน้ำเสเลดน้ํามันคข้นตลอดจนถึงชอบปัสสาวะหรืออย่างเงี้ยนะ ชอบอะไรอ่อแล้วถ้าก็ว่าตั้งมาตั้งแยกแล้วก็ไลเ่เป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปเนี่ยนะใช่แล้วก็อันนี้วิธีแรกอันหแรกก็สอบถามดูก่อนวนะ่าชอบอะไรกันแน่ธรรมดาอัตภาพนี้ประกอบด้วยกระดูกสามร้อยท่อนนะนะกระดูกเด็กๆเนี่ยตั้งแต่แรกเลยมันจะมีประมาณสามร้อยชิ้นเนี่ยนะผูกไว้ด้วยเอ็นประมาณเก้าร้อยเส้น นะเส้นคําว่าเอ็นนี่รวมทั้งพวกเส้นประสาทเส้นไร้รัดเส้นอะไรทั้งหลายแหละเส้นเลือดเส้นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะรวมทั้งหมดประมาณ900อเส้นฉาบด้วยชิ้นเนื้อประมาณ900ชิ้นนะที่เป็นมาปะปะปะตะฉาบเอาไว้แล้วก็หุ้มห่อด้วยหนังสดอันความหน้ายินดีเนี่ยพอใจเนี่ยคือผิวเนี่ยปกปิดเอาไว้ตัวที่หน้ายินดีก็อาศัยผิวเท่านั้นแหละเปรียบเหมือนหนังสดที่มาปิดหุ้มเอาไว้ อันหนึ่งเล่าของไม่สะอาดที่ไหลออกมาจากแผลของทั้ง9้าของกายนี้ทุกเมื่อคือนนไหลออกจากตาบ้างที่เรียกว่าขี้ตาไหลจากตาขี้หูไหลออกจากหูน้ำโมกไหลจะออกจากจมูกบางคราวก็สำรอกออกจากปากแล้วก็อุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะเป็นต้นแล้วก็คุ้มขนมีทั้งหมดประมาณ9ก0าหขุมแล้วก็ร่างกายเนี่ยที่มีกลิ่นเหม็ดเต็มไปด้วยซาก ซากศพซากอสุภะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจกลิ่นของผมเนี่ยกลิ่นผมแท้ๆจริงๆอ่ะน่ารังเกียจกลิ่นของเล็บของฟันของหนังกลิ่นแท้ๆของสิ่งละนั้นจริงๆจะน่ารังเกียจเป็นของปฏิกูลสะสมไปด้วยสิ่งปฏิกูลอยู่32ประการจะหาสิ่งที่เป็นแก่นสารหรือสิ่งที่ประเสริฐในกายนี้ไม่ได้มีเนี่ยนะฮะจะเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีเลยนีไม่เชื่อบอกว่าอะไรที่มันหลุดออกไปจะเก็บรักษาเอาไว้ไหม มีใครเลยนต the well. ัดผมแล้วก็เก็บเอาผมมาเป็นที่ระลึกผมทังตัวเองเนี่ยนะเอามาโกนผมแล้วไม่เคยเก็บเอาไว้เลยเนี่ยนะล้างรีบล้างทิ้งรีบทิ้งเลยนะไม่เอาไว้หรอกโกนหนวดก็เหมือนกันไม่เอาไว้รอกเหมือนกันท่นก็ตัดเล็บก็ไม่เคยเก็บเอาไว้อีกเหมือนกันเนี่ยนะทัานก็ร่างกายเนี่ยก็เหมือนกันอะไรที่มันหลุดแล้วก็ห้ยแล้วไปเลยเนี่ยนะเอาเก็บไว้ไม่ได้ตติกูล